เป็นวันที่ทางวัดยานณสังวราราวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการตักบาตรเทโวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในพุทธกาลครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ทรง เสด็จลงจากสวรรค์ดาวดืองหลังจากที่ได้ทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมาดาตลอดระยะเวลาหนึ่งพันรษาพระพุทธเจ้าการเสด็จของพระพุทธเจ้าไปสวรรค์นั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์นำพระวรกายร่างกายของพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์แต่ทรงใช้กระแส จ, จิต ของพระ อ, องค์ที่สามารถที่มีพลังที่สามารถไปได้ทั่วทุกไบรพธจะไปพบไหนก็มีพลังจิตไปได้พลังจิตนี้ถ้าเปลี่ยนก็เหมือนกับกระแสวิทยุโทรศัพท์มือถือของเราที่สามารถไปได้ทั่วโลกขอให้เรามีเครื่องที่จะติดต่อกับเครื่องที่อยู่ ปายทางเราก็อาศัยกระแสของวิทยุโทรศัพท์มือถือนี้ติดต่อกันได้จะอยู่ในประเทศไทยหรือจะอยู่เมืองนอกเมืองนาเราก็สามารถติดต่อกันได้ฉันใดผู้ที่มีพลังจิตก็เป็นเหมือนผู้ที่มีเครื่องมือถือที่สามารถติดต่อกับผู้ที่ อยู่ในพบต่างๆได้เช่นพระพุทธมารดาหลังจากที่ทรงประสูติพระพุทธเจ้าได้เพียงเจดวันก็ทรงเสด็จสอนสวรรคตและก็ได้ไปอยู่ในบนสวรรค์พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสโรพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณแล้วจึงได้ส่งกระแสจิตไปหาดูว่า พระพุทธมารดาอยู่ที่ใดหลังจากได้พบพระพุทธมารดาแล้วจึงได้ทรงใช้เวลาหนึ่งพันษาทรงแสดงพระธรรมเทศนาทรงอบรมพระพุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือได้เป็นพระโสดาบัน ผู้ใดที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วผู้นั้นจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายไม่ว่าจะเคยทําบาปกรรมมามากน้อยอย่างไรก็ตามแต่เมื่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจิตของพระโสดาบันนี้จะไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนและพบชาติ ก็จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานผู้ใดก็ตามที่สามารถสอนให้บิดามารดาของตนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าได้เป็นผู้ที่ชดใช้บุญคุณอันใหญ่หลวงของบิดามารดาได้หมดสิน้น มีการทดแทนบุญคุณแบบนี้เพียงแบบเดียวเท่านั้นที่ทรงถือว่าเป็นการทดแทนอย่างเต็มที่การทดแทนอย่างอื่นอย่างที่พวกเราทำกันนั้นยังไม่ถือว่าทำได้อย่างเต็มที่เพราะเราอย่างมากก็จะเลี้ยงดูท่านได้ในยายาที่ท่านมีอายุมากไม่สามารถที่จะ ดูแลตัวของท่านได้และหลังจากที่ท่านมรณาภาพจากเราไปแล้วเราก็ทำได้เพียงแต่ทำบุญหนทิศย์กวดน้ำไปให้กับท่านเท่านั้นแต่เรายังไม่สามารถป้องกันไม่ให้ท่านต้องไปเกิดในอบายาดถ้าท่านเคยทำบาปทำกรรมไว้แล้วถึงวาระของบาปกรรมจะแสดงผล บาปกรรมนั้นก็จะส่งให้ท่านต้องไปเกิดในอบายชั้นต่างๆเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรยบ้างหรือไปตกนรกบ้างแต่อย่างน้อยถ้าท่านไปเกิดเป็นเปรยบุญที่เราทําในวันนี้เราก็สามารถอุทิศไปให้กับท่านได้แล้วท่านก็จะได้อาศัยบุญนี้ พาให้ท่านได้ไปเกิดในที่ดีต่อไปได้อย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทดแทนบุญคุณถึงแม้จะไม่ได้มากเท่ากับพระพุทธเจ้าหรือพระอาหานตสาวกทั้งหลายเราก็สามารถทำได้ในกรอบในของความสามารถของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงจะกระทำกันเพราะความกตัญญูกตเวทีนี้ เป็นพื้นฐานของความเจริญเป็นรากฐานของความดีงามทั้งหลายผู้ที่ไม่มีความกตัญญูกตวเวทีนั้นจะไม่สามารถเป็นคนดีได้จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้ ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อความกตัญญูกตวเวทีโดยเฉพาะกับผู้บังเกิดเกล้าคือบิดามารดาของเราเพราะว่าถ้าเราไม่มีบิดามารดาเราจะมีชีวิตนี้ได้อย่างไรเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรพวกเราทุกคนนี้เป็นหนี้บุญคุณของบิดามารดา ดังนั้นเราจึงควรที่จะรำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอวิธีที่จะทําให้ไม่ลืมก็คือทุกเช้าและเย็นคือตอื่นขึ้นมาแล้วถ้าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วกราบพระแล้วก็ขอให้เรากราบพ่อแม่ด้วยหันหน้าไปทางทิศ ท, ที่พ่อแม่อยู่แล้วก็กราบพ่อแม่เพื่อเราจะได้ ลำลึกถึงพระคุณของท่านตอนกลางคืนก่อนนอนก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะหลับนอนหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้กราบพ่อกราบแม่ด้วยให้ลำลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของท่านเมื่อเราได้ลำลึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ไม่ลืม และเราจะได้มีจิตใจที่จดจอ่อและคิดถึงท่านอยู่เสมอเสมอเวลาที่เรามีเวลาว่างหรือเวลาที่เรามีโอกาสที่อยากจะทำบุญเราก็ไปทำบุญกับพ่อกับแม่ของเราก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปทำกับพระนอกวัดท่านสอนให้เราทำกับพระในวัดของเราก่อน เพราะพ่อแม่นี้และท่านเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระผงของลูกๆ ก, การได้ทำบุญกับพ่อกับแม่นี้ถือว่าได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์เลยทีเดียวดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระนอกบ้านอย่าลืมพระในบ้านของเราเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนอากขรอยู่ไป คือคนที่ไม่มีความกระทำอยู่ทั้งๆ ท, ที่เราจะไม่มีความตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เนื่องจากเราอาจจะไม่ได้คิดถึงความสำคัญของคุณพ่อคุณแม่เราัวแต่คิดถึงสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้บุญเราก็คิดว่าต้องไปทำบุญที่วัดถึงคิด ถ, ถึงจะได้บุญแต่ความจริง วัดหรือพระที่อยู่ในบ้านนี้เราก็ทำบุญได้ถ้าเราทำบุญกับพระที่บ้านแล้วแล้วยังไม่จุใจยังอยากจะไปทำบุญกับพระนอกวัดต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะเพราะพระนอกบ้านนี้ท่านก็จะให้บุญกับเราได้มากกว่าพระในบ้านของเราพระในบ้านของเราบุญที่เราได้ก็คือทานคือการให้ แต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระนอกบ้านพระตามวัดต่างๆที่เป็นพระสุปฏิปันโนเราก็จะได้การได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าได้แสงสว่างแห่งธรรมและเราก็อาจจะมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอาเรียบุคคลขั้นต่างๆได้จากการฟังเทศฟังธรรม หรือจากการเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้มักผลนิพพานเป็นรางวัลเป็นการตอบแทนที่เราได้ไปทาบุญกับพระสุปฏิปโนทั้งหลายแต่เราก็ยังไม่ควรลืมพระที่บ้านของเราขอให้ยกพระที่บ้านของเราเป็น เป็นทานเป็นบุญที่เราต้องทำในเบื้องต้นก่อนส่วนพระที่เป็นพระสุดปฏิปันโนนั้นเราก็ไปทําต่อหลังจากที่เราได้ทํากับพระในบ้านของเราแล้วเพราะพุทธเจ้าได้ทรงทเป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงความสำคัญของการทดแทนบุญคุณของบิดาและมารดาพระมารดาพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศโปรดสอน จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระราชบิดาก็ทรงเทศสอนจนได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์เจ็ดวันก่อนจะเสด็จสวรรคตไปจึงเกิดมีความเข้าใจผิดตามมาทีหลังว่าถ้าเป็นคารวา์หลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชจะต้องตายภายในเจ็ดวันซึ่งนี่เป็นความเข้าใจผิด คือไปคิดว่าพระราชบิดาหลังจากได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเจ็ดวันก็ตายไปแต่การตายของพระราชบิดานี้ไม่ได้ตายเพราะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่ได้โบยแต่ปันเพราะว่าท่านมีโรคภัยไข้เจ็บท่านใกล้เวลาที่จะตายแล้วจึงขอให้เราทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้เดี๋ยวเราจะกลัวกัน ไม่อยากจะเป็นพระอารหันต์กันเพราะกลัวแล้วเดี๋ยวบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วจะต้องตายภายในเจ็ดวันนี่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงไม่เกี่ยวกันเรื่องของความเป็นพระอารหันต์นี้เป็นเรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจคือใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงใจเป็นใจที่ปราศจากความทุกข์ทั้งหลาย เป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปส่วนร่างกายนี้จะอยู่ต่อไปนานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมเก่าที่ได้ทำมาอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นร่างกายของท่านก็อยู่ได้เพียง8ปปีซึ่งคนในสมัยนี้บางคนมีอายุยาวกว่าพระพุทธเจ้าก็มีอยู่มากมายบางคนอยู่ถึงร้อยปี แต่นี่เป็นเพียงเรื่องของร่างกายและเรื่องของบุญกรรมเก่าที่เคยได้ทําเอาไว้ในอดีตแต่จะไม่มาเกี่ยวกับการเป็นพระอารหันต์หรือไม่เป็นพระอารหันต์ตายได้ทั้งนั้นตายวันนี้ก็ตายได้ถ้าถึงเวลามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระอารหันต์แล้วไม่ได้บวชหรือไม่จึงขอให้พวกเราจงอย่าไปกลัวเรื่องการทําบุญ เรื่องการปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะการเป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นสิ่งที่สุดยอดของชีวิตของพวกเราถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนรางวัลที่หนึ่งของของลอตเตอรี่ที่เราหวังที่จะถูกกันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะจะกาจัดความทุกข์ทั้งหลายของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ ด้วยการกำจัดภพชาติต่างๆเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดติต่อไปไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายไม่ต้องไปพัดพากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบเราจะอยู่ในสวรรค์ในเราจะอยู่ในพระนิพพานซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับห้องปราประกาศที่มีแต่ความเย็นสบายและมี เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันเทิง ต, ต่างๆอยากจะได้อะไรก็ได้เพราะเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกผู้ที่ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี้จะเป็นเหมือนผู้ที่ได้แก้วสารพัดนึกที่สามารถจะเสพ บ, บันดาล ให้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจได้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะไขว่คว้าใฝ่าหากันอย่าไปกลัวเพราะการได้เป็นนี้เป็นสิ่งที่เลิศที่สุดพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระอระหันต์พระสาวกทั้งหลายก็เป็นพระอระหันต์เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้ทรง เป็นพระอาหารหันด้วยตนเองเราท่านจึงมีชื่อว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระอาหารหันที่เป็นเพราะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพราะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะไม่เรียกว่าเป็นอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสาวกคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้และมาสอนเรื่องการเป็นพระอาหารหันต์จะไม่มีสัตว์โลกในโลกนี้สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองเลยมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพียงคนเดียวที่จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองดังนั้น เวลามีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้และประกาศพระธรรมคําสอนจึงเป็นเหมือนกับบุญวาสนาโชคอันยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกที่จะได้มีโอกาสได้ตัดสู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันนั่นเอง ดังนั้นพวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชควาสนาอย่างมากที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนอันของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเราสามารถที่จะอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้พาให้เราได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ พาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะน้อมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติเพราะนี่จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมได้มีได้เป็นพระอริยะขั้นต่างๆ อยู่ที่การศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไดศึกษานี้มาปฏิบัติอย่างวันนี้พวกท่านก็ได้ยินแล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เราไดนบรรลุเป็นพระอารหันต์นั้นก็เกิดจากการมีความกระทันอยู่กระ่วเวทีเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นต่อจากนั้นเราก็ต้องทำบุญให้ทานต่อผู้ นอกจากให้ทานกับพ่อกับแม่แล้วเราก็ทำกับผู้อื่นด้วยทํากับพระสงฆ์องค์เจ้าทํากับนักบวชหรือทํากับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันไม่ว่าใครก็ตามถ้าเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนเราพอที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาได้ขอขอให้เราช่วยเหลือกันอย่างอาหารของข่าวของหวานต่างๆที่ญาติโยมนำมาถวายพระในวันนี้ ถ้าเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ก็จะได้เอาไปจจ่ายสงเคราะห์แก่เพื่อนร่วมโลกต่อไปผู้ที่เขาเดือดร้อนผู้ที่เขาลำบากยากจนกว่าเราเราก็จะได้ได้ผลคือได้ความสุขใจได้ทางบรารมีจะทำให้เรานั้นจิตใจของเราสูงขึ้น และจะทําให้เราเป็นคนที่อยากจะรักษาศีลเพราะผู้ที่ให้ทานนั้นจะมีจิตที่เมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะทําให้การรักษาศีล น, นี้ง่ายและเมื่อมีศีลแล้วใจก็จะสงบจะไม่วุ่นวายกับความรู้สึกที่ไปทําบาปทํากรรมมาใจก็จะมีความสุข แล้วก็อยากจะทำให้ใจสงบมากขึ้นเราก็จะนั่งสมาธิกันทำจิตใจให้สงบจิตสงบก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะเห็นความจริงว่าไม่มีความสุขในโลกนี้นอกจากความสงบภายในใจของเราเท่านั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเราจะเห็นว่าได้อะไรมาแล้ว จะได้ความสุขมานิดเดียวแต่จะได้ความทุกข์มากกว่าสู้ไม่มีดีกว่าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านไม่มีครอบครัวเหมือนพวกเราท่านไม่มีสมบัติเข่าของเงินทองเหมือนพวกเราแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราเพราะท่านไม่มีความทุกข์เท่ากับพวกเรานั่นเอง พวกเรามีอะไรเราก็มักจะมีความทุกข์กับสิ่งที่เรามีนั่นแหละมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีบุตรมีทิดาก็ต้องทุกข์กับบุตรกับที่ดาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทุกข์กับเขาจิตเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิ ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรภายนอกจิตใจยอยากจะอยู่อย่างสำมทะทาเรียบง่ายแล้วในที่สุดเราก็จะได้ออกบวชกันเมื่อได้ออกบวชไม่นานรับรองได้ว่าก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะนี่เป็นวิถีทางของพระอาริยะเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่ท่านยังเป็นพระอริยเจ้ากันท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วเกิดศรัทธานําเอาไปปฏิบัติก็จะทําให้ท่านได้ปฏิบัติมากขึ้นไปตามลําดับตอนต้นก็ให้ทานประก่อนแล้วก็รักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ปลงอนิจจงทุกขังอนัตตาพอเห็นความจริง เห็นความสุขว่ามีอยู่ในใจมากขึ้นก็เกิดเบื่อหน่ายในการที่จะอยู่แบบคารวาสผู้คองเรือนก็จะออกไปอยู่ตามวัดต่างๆไปบวชบ้างไปอยู่เป็นนักปฏิบัติธรรมบ้างและบรรลุธรรมกันไปตามกำลังความสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ในที่สุดเพราะพวกเพราได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพวกเราได้มากระทํากันในวันนี้ขอให้เราทําให้มากขึ้นไปเถอดและรับรองได้ว่าความสุขความเจริญจะมีมากขึ้นไปตามลําดับความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆจะมีน้อยลงไปตามลําดับและหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดใน วันตักบาทเทโวนีให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัธนาไจ